ก็แล้วรู้ได้ไงว่าเขาจ้องจับผิดไอ้ที่จ้องจับผิดเพราะว่าจ้องเขาอยู่อ่ะนะนี่พูดในมุมกลับให้ฟังมะเออมันน่าคิดนะอ่าอีกตัวอย่างหนึง่งไม่มีรถใครๆก็ดูถูกผมผมต้องซื้อมากี่ให้ได้นะวงเล็บเปิดแสดงว่าตัวเองดูถูกคนไม่มีรถเพราะอย่างน้อยก็ถือว่ารถเป็นสาระสำคัญของชีวิตเมื่อคนอื่นก็คือชีวิต ทำไมเขาจะไม่วัดค่าพวกเราด้วยรถเราวงเล็บปิดคืออันนี้เขาพูดว่าอะไรอ่ะตัวเองเนะี่ยดูถูกตัวเองนั่นเองไม่ใช่ว่าคนอื่นมาดูถูกนะนี่ก็บอกว่าไม่มีรถใครๆก็ดูถูกผมคือคือคือไปป้ายร้ายคนอื่นใช่ไหมว่าว่าคนอื่นเนี่ยดูถูกเขาว่าเขาไม่มีรถแต่จริงๆแล้วต่อให้เขาพูดอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าเราไม่ดูถูกตัวเราเอง ไม่ดูหมิ่นตัวเราเองซะแล้วเงี้ยตอให้เขาพูดอยู่เราก็เห็นเดือดนรน้อนใจเลยใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าคุณค่าของคนหรือคุณค่าของชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่มีรถหรือว่าไม่มีรถถ้าอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่รู้สึกเจ็บปวดหัวใจอะไรอันนี้นะให้ให้เราเองเนี่ยมันสังเกต เพรถ้าเราเองหมันสังเกตตัวเราเองข้อนี้นะหลายคนเลยจะแก้ตัวโทสะของตัวเองเได้เวลาที่บางทีใครเข้ามาพูดทำนองนี้กับเราบ อ, อกเนี่ยดูสิขั่วงาไม่เอ้าวๆเลยขั่วนาดิบๆสุกๆออไม่เห็นจะเข้าท่าเลยกินเวลาเดี๋ยวขมมัง่งเดี๋ยวก็เฝื่อมัง่งเนี่ยถ้าจริงต้องแก้ไขนะไม่ใช่ถ้าจริงก็เลย เอาละโทษคนอื่นเลยนะบอกเก่งจริงว่าขัวเองดิเออโทษคนอื่นเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เนี่ยไงอันนี้ตัวอย่างแล้วมันก็ยกตัวอย่างมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะให้ให้พิจารณาตัวเองนะใครให้ขุมทรับใครให้คำชี้แจงแนะนำมาในหัดรับมาให้ได้ <c oughs> เสร็จแล้วก็ไปพิจารณา นะวันนี้คนเขาพาเขาเอามาให้ดูสองถาดบอกนีิงาอันนี้เนะี่ยคนนี้ขั้วงาคนนี้คนนี้ขั้วแล้วเขาก็บี้ให้ดูนะบอกเนี่ยงาอันนี้คุกดินขั้ว <c oughs> ผมดูที่เนี่ยยังดิบดิบ <c oughs> ยังยังยังมันยังไม่ถึงจุดต้องขั้วให้มันถึงจุดแล้วก็ เ, เอางาที่ขั้วถึงจุดมาให้ดูแล้วก็บี้ให้ดูบอกนี่งานขั้วถึงจุดแล้วเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> เออเอามาให้เรามาดูอามาบอกเอาไปให้คุกดินดูสิพวาว่าเขาเป็นคนั่วเขาจะได้รู้ได้ดูสีงาออกวเอองาที่มันพอดีเนี่ยมันควรจะสีขนาดนี้เข้าใจไหมเน่ต้องไปหัดดูสีงาให้มันดีด้วยวเออขนาดนี้แล้วอ๋อมันกางจะใช้ได้แล้วขนาดนี้ใช่ไหมมันยังไม่ใช่ว่าเราก็ทำไปตามสบายเราใช่ไหมคราวนี้เลยอีกมุมนึ่ะ ครยติครจะว่ายังไงก็เป็นยังไงนะใครยติใคยะว่ายังไงไม่โทษคนอื่นนะคราวนี้ไม่โทษคนอื่นนะแต่ก็ไม่โทษตัวเองด้วยนะไม่โทษคนอื่นแล้วไม่โทษตัวเองด้วยนี่มันแม่ยังใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นนะ่ะเราต้องเอามาพิจารณาอาจารย์ทึงบอกว่าเออเรายังทำทาไม่ดีจริงๆด้วยเพราะนั้นเราต้องโทษตัวเอง จริงๆไม่ต้องไปรอให้คนอื่นโทษเลยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราโทษตัวเราเองได้เลยแล้วเราก็ปรับแล้วเราก็แก่พระเจ้าท่านใช้อีกคำหนึงท่านใช้คำว่าเราติเตียนตนด้วยศีลได้หรือเปล่าเ mm hmm. ข้าใจไหมเราติเตียนตนเองเนี่ยด้วยศีลได้หรือเปล่าวันแต่นี้ภาษาที่เรามาใช้อย่างนี้เราใช้บอกว่าเราก็ต้องหัดโทษตัวเราเองซึ่งจริงๆก็คือติเตียนตัวเราเองนั่นแหละจริงๆไม่ควรที่จะต้องรอให้ใครมาติเตียนเลย วันถ้าเราเองเนี่ยเราหัดติเตียนตัวเราเองแล้ววันหลังคนอื่นมาติเตียนเราเนี่ยนะเรามันเหมือนกับเราฝึกไปแล้วเราซ้อมไปแล้วพวันใครมาติเราคราวนี้เราไม่โกรธเขาหรอกเพราะว่าเราเราชักจะชนานาญแล้วเราชักจะเก่งแล้วแล้วเราก็ไม่ด้านด้วยที่เรียกว่าใครมาติเราไม่ได้นะหรือว่าใครมาติเราแล้วเฉยนะอย่างกับคอนกรีตเงี้ยใครมาติแล้วก็เฉยคอนกรีตไม่สะดุ้งสะเทือน ใช่ไหมหรือก็ไม่เอาอย่างนั้นนะอย่างนั้นเราก็ไม่เอาแต่บางทีไม่ใช่คอนกรีตเนี่ยใครมาตีปั๊บโอ้โหอะไรอะนวมนวมอะไรนะวันนั้นที่เราอ่านเนี่ยอะไรนวมนะมานะอุ้มนวมมาเลยมานะสวมนวมเหรอเออไม่ใช่แหมพอใครมาตีปั๊บมานะสวมนวมหนีบยับปุ๊บปุ๊บใหญ่เลยนะไอ้อย่างนั้นก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยยิ่งหนักข้อใหญ่ ก็อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเัรต้องหัดนะยิ่งอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนะอยู่กับหมู่กลุม่มอยู่กับหลายๆคนเนี่ยต้องหัดอยู่ร่วมกันให้เป็นนะแต้องลดมานาอัตตาเราเองด้วยนะความชั่วหรือความผิดของตัวเองจิตมันยอมรับไม่ได้ก็จะต้องหาทางระบายให้คนอื่นเรียกว่าไม่ได้ด้วยเร่ก็ต้องก็ต้องด้วยกน ไม่ได้ด้วยมนก็ต้องด้วยคาถาลีลาของมันจึงมีทั้งแปลกและตลกจริงๆแล้วน่าเศร้า <c oughs> นี่อาตมาเพิ่มให้เอ๊มันยาวใหมันไม่จบง่ายอ้อไม่เยอะเท่าไหร่นะจบได้จบได้เดี๋ยวจบหัวข้อเท่านั้นนหะอันนี้มันมีตัวอย่างผมต้องกลับบ้านก่อนครับเป็นห่วงแม่ห่วงจริงๆ อันนี้เขาวงเล็บนะวงจริงๆมันก็ดีแต่บางคนไม่ใช่อย่างนั้นกัวแม่ดาต่างหาก <c oughs> หเล็บปิดอ๋อวงไม่จริงนะอันนี้จับดูให้ดีว่าจริงหรือเปล่าไอ้ที่เราพูดไปนะอีกตัวอย่างหนึ่งฉันไม่อยากไปที่คณะนั้นหรอกอย่ามีแต่หนุ่มๆเดี๋ยวก็ทำไม่ดีมีรายฉันวงเล็บเปิดที่จริงใจตัวเองต่างหาก ที่อยากจะทําเขาคงเล็บปิดเออก็ดูให้ดีนะว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นมุมกลับอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เนี่ยเวลาอ่านให้ฟังมันก็ตลกตล ก, ตลกสนุกสนุกแต่ความจริงไม่นะความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหตรงกันข้ามมากเลยบางคนเนี่ยบางทีว่าคนนั้นบ้าคนนี้เห็นไหมบางทีบางคนเนี่ยผมเกลียดคุณเหลือเกินผมเกลียดคุณเหลือเกินแล้นะบางทีผู้หญิงก็ว่าผู้ชายผู้ชายก็ว่าผู้หญิง ไปๆมาๆแต่งงานมีลูกมีเต้าเป็นขโยงอะไรเงี้ยเนี่ยมันจับอารมณ์จับความรู้สึกหรือว่าอะไรตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ทันไม่เก่งจริงๆแล้วมันตรงข้ามเลยไอ้ที่ผมเกลียดคุณผมเกลียดคุณเนี่ยจริงๆแล้วคือหลักเขาอ่ะไม่ได้เกลียดเขาหรอก <c oughs> อ่าอีกตัวอย่างหนึ่งทุกคนเกลียดหนูหนูทนไม่ได้ กรี๊ดแหมโอ้อตมา ก, ก็เสียงไม่แหลมพอนะเออทุกคนเกลียดหนูหนูทนไม่ได้กรี๊ดนะวงเล็บตัวเองนั่นแหละที่ไปเกลียดเขาจนทั่วนะวงเล็บปิดอ่าบางทีจริงๆนะเป็นอย่างนั้นนะให้ให้เราไปทบทวนดูให้ดีคือคือจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าคนอื่นเขาเกลียดเราเขาเกลียดเราจริงๆคนอื่นเขาไม่ได้เกลียดเลยนะแต่เราเนี่ยแหละ เที่ยวไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้บางทีเขามาพูดธรมดดธรมดาเนี่ยเขาพูดธรรมดาเนี่ยว่าเอออย่างงั้นสิอย่างนี้สิแต่จิตเราเนี่ยมันมันมันไม่ยอมจิตมันอกุศลเนี่ยมันก็คิดว่าเขาเกลียดเขาพูดดีๆก็หาว่าเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ใช่อยู่ที่เขาหรอกบางทีมันอยู่ที่จิตเราจิตเราเนี่ยแหละที่เกลียดชังคนอื่นเขาจนกระทั่งพอฟังอะไรเนี่ย มันผ่านเอกเครื่องกองของเราเครื่องกองเรามันเกลียดไงวันพอมันผ่านเครื่องกองเกลียดมันออกมามันก็เกลียดเกลียดเกลียดก็กลายไปเป็นอย่างนั้นนะอีกตัวอย่างหนึง่งโยมคนหนึ่งฝันถึงพระลูกชายที่บวชเห็นพระร้องไห้มาหาโยมก็เลยทึกทักว่าพระร้องไห้คิดถึงโยมเออสรุปเลยนะวงเล็บแท้จริงโยมมีจิตร้องไห้คิดถึงพระ แต่จะทําอย่างนั้นมันก็รู้ว่าไม่เหมาะในฝันก็เลยปัดไปให้ลูกชายเสียมันมีมาสดีออกจริงๆแล้วยมคิดถึงพระใช่หมแล้วก็เลยฝันถึงถึงพระเนี่ยพาลูกชายแต่แทนที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงพาลูกชายนะพอฝันถึงอย่างนี้นะกลับบอกว่าเนี่ยแหลพะพาลูกชายคิดถึงโยม <c oughs> เออเป็นอย่างนั้นสิ อีกรายแฟนหัก อ, อกมายังไม่เข็ดจิตยังดิ้นไปฝันว่าแฟนมาหาเลยคิดว่าแฟนยังคิดถึงตัวเองอยู่นะวงเล็บเปิดแท้จริงตัวเองต่างหากคิดถึงแฟ น, นวงเล็บปิดลักษณะพวกนี้แหละบางทีแม้แต่คนทำผิดอะไรขึ้นมาพวกนี้จะเป็นพวกถือสาให้อภัยยากฟังดูให้ดีนะจิตใครมีลักษณะอย่างนี้จะเป็นคน ถือสาแล้วก็ให้อภัยยากถ้าลงโทษได้แล้วก็เอาให้หนักเลยอย่างน้อยพวกเขาก็ถือว่าเป็นการไถ่าบาปตัวเองเออตัวอย่างเช่นตัวเองชอบขโมยพอลูกจ้างตัวเองขโมยก็ทำโทษเกินกว่าเหตุถือว่าไถ่าบาปเป็นการล้างบาปที่ตัวเองทำไว้โดยใช้ผู้อื่นเป็นลูกหนี้แทนอันนี้พอจะเข้าใจไหมเนี่ย สภาวะจิตยอย่างเงี้ยพอเข้าใจหัหยคือจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีนิสัยเหมือนเหมือนอย่างที่ใครไปทามานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาผิดอย่างที่ที่เราทามาเหมือนเราเราเคยทํามาเหมือนกันพอพอเวลาเขาผิดมาเนี่ยล้วก็อัดหนักเลยหนักเกินไปด้วยเพราะว่ามันมีสิ่งที่มันฝังใจตัวเองมาอยู่ น่นก็เลยเอาสิ่งที่ฝังใจตัวเองเนี่ยพูดง่ายเอามาเอามาเพิ่มให้เจ้าคนนั้นก็เลยกลายเป็นแพลบบาปของของเราไปนั่ลเรเอาอุปท า, านเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่บางทีพ่อแม่ตีลูกเนี่ยตัวเองเคยได้รับมายังไงจากพ่อแม่ของของของตัวเองใช่ไหมบางทีก็เอามาระบายลงที่ลูกเป็นแบบแพ้ลบบาปที่จะได้รับทั้งทั้ที่บางทีเนี่ยลูกอาจจะทําความผิดจริง แต่การถูกลงโทษเนี่ยไม่ควรหนักขนาดนั้นแต่พอเรามีเหตุสังสมมาในจิตเราเพราะนั้นพอทำผิดลูกทำผิดอย่างนี้นึกถึงอดีตตัวเองก็เลยลงโทษลูกตัวเองหนักกว่าที่ควรจะลงนะมันก็จะเกิดสภาพนี้ขึ้นเหมือนกับอย่างนี้บางทีเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราเคยสมมุตินะไม่ชอบใจเพื่อนสักคนหนึ่ง เขาเคยทําอะไรผิดใจเราแล้วเราก็จําไว้จําไว้เสร็จแล้ววันหลังเขาทําผิดอีกนะไอ้เรื่องนี้แหละคราวนี้เราเลยพูดง่ายๆเอาดอกเบีย้ยทบต้นเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขาทํามาทีแล้ะคราวที่แล้วนี่ไม่ดา่าคราวนี้เขาทาอีกอีกคราวนี้เรื่องอะไรจะด่าแค่ความผิดแค่ครั้งนี้ใช่ไหมครั้งที่แล้วไม่ได้ด่านี่เพราะฉะนั้นเอามารวมกันเพราะฉะนั้นคราวนี้ ครั้งนี้ผิดมานี่ต้องด่าไป2สองเท่ามันอย่างเงี้ยเนี่ยคือคือทบต้นไปเลยเพราะฉะนั้น <What? S 1> ให้ให้ระวังจุดนี้ด้วยน ะ, อ, ะอีกตัวอย่างหนึง่งตัวเองชอบโกหกพอจับคนโกหกได้ก็ลงโทษหนักเกินเลยเรื่องนี้จึงกลายเป็นพวกเดียวกับพวกชอบถือสาคอยถือสากันเรื่อยเพราะแม้จะไม่ทำโทษผู้กระทำด้วยกายกรรมแต่มโนกรรมที่ประนามเอาเรื่องอยู่ อย่างไม่ยอมให้อภัยนั่นแหละก็คือจิตใต้สำนึกนะหรือเรียกว่าอนุใยซับคอนเชียสนะก็ถือว่าได้ลงโทษแล้วดังนั้นผู้ใดที่เกลียดชังสิ่งใดผู้นั้นก็ยังไม่พ้นจากสิ่งนั้นนั่นเองเช่นเกลียดคนตอแหลก็หมายความว่า <c oughs> ก็หมายความว่าเราเองก็ชอบอยู่เหมือนกันนะ เกลียดคนชอบนินทาเกลียดคนทำผิดเกลียดคนอ่อนแอเกลียดคนใส่เสื้อผ้าสวยๆเกลียดคนมีมานะเกลียดคนกินเนื้อสัตว์นะเกลียดคนไม่ดีไม่ได้แปลว่าเราดีหรอกนะแต่เลวยกกาลังสองเลยเชี่วแหละตัวอย่างที่ยกมาก่อนหน้านั้นเรากําลังหมายถึงจิตที่แอบซ่อนแฝงเร้นว่า จริงๆแล้วตัวร้ายตัวไหนแอบบงการอยู่ลึกๆต่างหากลักษณะของการป้ายความชั่วออกไปจากตัวนั้นจึงถูกอนุรุมไปใช้กับวิธีการอื่นๆอีกมากแม้แต่การที่ตัวเองคิดเห็นอย่างไรก็เลยคิดว่าคนอื่นจะต้องเห็นอย่างนั้นตัวเองชอบก็คิดว่าคนอื่นต้องชอบตัวเองเกลียดอะไรก็คิดว่าคนอื่นจะต้องเกลียดตามด้วยตัวเองปฏิบัติธรรมไม่สาเร็จ ก็คิดว่าคนอื่นก็ไม่สำเร็จกลายเป็นผดเด็จการไปในชีวิตประจำวันเราจึงอาจเห็นคนที่แต่งหน้าเหมือนยิ้วหลงหลงเดินด้วยมาดของนางงามไปตามถนนคือเกิดอาการขึ้นไปนะคือเกิดอาการที่ว่าเนี่ยแต่งหน้างามแล้วก็เดิน แต่งหน้ามากอะแล้วก็เดินไปตามถนนคือคือหลงคิดว่าตัวเองเป็นเป็นนางงามเนี่ยแล้วก็แต่งแล้วก็คิดว่าเอออย่างงี้ละสวยเมื่อคิดว่าอย่างงี้สวยก็แต่งอย่างงี้แล้วก็ไปเดินโชว์แม่ที่พยายามบังคับให้ลูกกินในสิ่งที่ตัวเองชอบนะจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาใส่เสื้อผ้าที่แม่แต่เปรตยังอายเอเอแม อันนี้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงก็คงเข้าใจดีกันอยู่แล้วเชื่อไหมว่าพฤติกรรมเหล่านี้เชยขนาดนี้น่าอายขนาดนั้นหรือทำผิดขนาดหนักเจ้าตัวยังไม่รู้สักนิดเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคืออันนี้สรุปนะในข้อ 4.2 เนี่ยก็หมายความว่ายิ่งๆท้ายๆเนี่ย จะหมายความว่าเราเกียดอะไรหรือว่าเราชอบอะไรเนี่ยเราไมาคิดว่าคนอื่นเนี่ยคิดเหมือนเราหรือว่าคล้ายกับเราพอนพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราเลยจะสรุปอะไรก็ตามสรุปใครก็ตามเราเลยสรุปไปตามจริตของเราสรุปไปตามนิสัยของเราถ้าคนไหนบางทีสมมติว่าเราชอบกินส้มตาเราก็มกักจะคิดว่าเออคนนั้นเขาคงชอบกิน นะแล้วก็เลยทำส้มตำให้อร่อยแล้วก็เอาไปให้เขาคิดว่าเขาคงชอบกินเหมือนเรา <c oughs> ใครชอบกินอะไรก <c oughs> ็เียวเลยอ่ก็ก็มักจะคิดว่าคนอื่นเขาคงชอบเหมือนเราอันนี้ระวังเนี่ยจิตอย่างนี้แหละแล้วมันจะทำให้เราเกิดพด็จการขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว เราไม่ทันจับจริงๆพราพอเราคิดว่าเราชอบอย่างเช่นเราชอบกินอาหารธรรมชาติเราชอบแพคโครเราก็เลยมักจะคิดว่าคนอื่นเขาก็ต้องชอบหรือเผลอๆเนี่ยเราก็พอจะรู้อยู่ว่าคนอื่นไม่ไม่ใช่ว่าจะชอบหรอกแต่เราคิดว่าคนอื่นต้องชอบเหมือนเราชอบว่ามันจะเกิดการบังคับขึ้นมาเกิดาการบังคับคนอื่นขึ้นมาซึ่งอันนี้แหละมันจะทำให้จิตเราเองก็ไม่ดี แล้วก็เป็นการที่ไปเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการแต่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้คนดีเราก็เลยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกหรือว่าไม่ไม่กล้าที่จะใช้กลวิธีในการเหมือนกับว่าบีบคัน้นหรือว่าเป็นเชิงบังคับให้คนเนี่ยดีขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่นะบางทีมันก็จะใช้อย่างนั้นมีอยู่บ้างแต่หมายถึงว่าคนที่ มีจิตเจตนาดีจริงๆนะแล้วก็รู้ตัวจริงๆไม่ใช่ทำไปหรือว่าใช้ไปโดยที่เราเองไม่รู้สึกอ้วนะแล้วก็ทำไปโดยที่ทำไปแล้วเนี่ยเป็นการที่กิเลสครอบงำเราต่างหากเราคิดว่าเขากวรจะดีอย่างนี้ใช่ไหมเขากลัวจะได้อย่างนี้แต่ยิงเราทาไปด้วยอานาจมานะของเราเราอยากเอาชนะบงังหรือเราทำไปโดยที่เรียกว่า อยากจะข่มเขาหรือว่าอยากจะอะไรอ่ะบีบเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นกิเลสของเราอันนี้มันไม่ใช่ใช้ไปโดยกุศโลบายหรือว่าใช้ไปโดยเจตนาที่เป็นกุศลอันเนี้ยมันจะต้องมีฐานะที่จะแยกขึ้นมาอีกพวันถ้าใครเข้าใจได้เนี่ยถึงจะใช้ประเด็ดการได้อย่างอย่างเป็นพุท ธ, ธะถ้าใครเข้าใจนะประเด็ดการก็จะใช้ได้แต่ถ้าใครเนี่ยจิตยังมีกิเลสอยู่แล้วเราก็ ยังรู้ไม่เท่าทันแล้วเราใช้ออกไปแล้วเราใช้ไปด้วยอํานาจของกิเลสเราซึ่งมันยังแบบว่ายิ่งทําไปมากเท่าไหร่คนนั้นก็ยิ่งมีกิเลสตัวเองเพิ่มแล้วทําไปแล้วก็จะมีผลกระทบที่ทําให้คนอื่นเกลียดชังหรือว่าไม่ชอบเพราะจริงๆในโลกนี้ไม่มีใครชอบประเด็ดการ์ใครๆก็รักตัวเองใครๆก็อยากตามใจตัวเองทั้งนั้นแหละ พ้นโดยสัจจะเนี่ยคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยมีแต่จะเอาตามใจตัวเองตามกิเลสเท่านั้นยกเว้นมีแต่ผู้ที่ท่านบรรลุมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้ น, นท่านถึงจะไม่ตามใจตัวเองท่านจะทำไปตามสัจจะทำไปตามความปรารถนาดีที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้ดีโดยที่รู้ตัวอยู่แล้วก็พยายามทำดีเพื่อคนอื่นอยู่ อ่ะสำหรับวันนี้คงพอไว้จะเปลี่ยงเท่านี้นะ